กริยาทั้ง10เนี่ยนะรเราฟังมา10เรื่องแล้วนะเนี่ยหเรื่องอกิตติบัณฑิตอากิตติดาบทสองสังกพราม์สมพระเจ้าทนันชัยกุรุธรรมกุรุราชแล้วก็สพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพัทหกพระเจ้าโควินท์เออขออภัยมหาโควินทพรามหม์หพระเจ้าเนมิราช7พระเจ้าจันทกุมาร8พระเจ้าศรีวิราช9 พระเจ้าพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรเขเป็นพระราชาแล้วก็สิบก็พยากระต่ายผู้ให้ทานอันประเสริฐในการนั้นนะผู้ที่ทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอกิติสังกพรามพระเจ้าทนชัยกุลรัชพระเจ้าสุทัศนะเนี่ยนะมหาโควินทพราหมณ์พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมานพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรตลอดจนถึงพยากะต่ายก็คือเรานี่แหละทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทาน เป็นทานบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแกยาจกจึงยังบารมีนี้ให้เต็มได้เห็นก็เนื่องจากว่าท่านได้ให้ทานแก่ผู้ขอเป็นต้นท่านจึงยังคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ถ้าท่านไม่ทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือสรุปว่า อะาหาเมวัตะทาอาสิงในการนั้นเป็นเรานี่เองคือผู้ใดได้ให้ทานอันประเสริฐเหล่านั้นคือผู้ใดได้ให้ทานอันอุดมเหล่านั้นผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นอกิตติดาบทสังกพรามพระเจ้าท น, นชัยกุรุราชพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพัทิราชมหาโควินทพรามพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดร ตลอดจนถึงพยากระตายในการนั้นก็คือเรานี่แลไม่ใช่คนอื่นหรอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเทศนาขึ้นด้วยอำนาจแห่งทานบารมีเหล่านั้นทรงหมายถึงความกว้างขวางอย่างยิ่งในอัธยาศัยในทานของพระองค์คทีนี้ต่อไปพระองค์ก็แสดงความถึงพระองค์เป็นผู้บาเพ็ญศีลแม้อยู่ในอัตภาพเหล่านั้นด้วยประการชนจริงๆเนี่ยยกทานเป็นหลักขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่รักษาศีล เหมือนอะไรนะกินข้าวถามว่ามีกลับไหมบอกนี้ก็มีกลับอยู่หลายอย่างแม้แต่ข้าวผัดก็ยังมีอะไรผสมอยู่ในข้าวตั้งหลายอย่างอนะเชิญทานข้าวข้าก็มีแต่ข้าวอย่างเดียวข้าวสวยข้าวอะไรนะเอาไหมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ก็เหมือนการยกทานก็จริงแต่ก็ประกอบด้วยบารมีอย่างอื่นๆหลายอย่างประกอบบทว่าเอเตทานะปริขาราเอเตทานะสะปปรมี ทานเหล่านี้เป็นบริวารของทานเป็นฐานบารมีความว่าเราบริจาคทายธรรมอันมีคุณมากมายนี่นะคุณธรรมมากมายเลยนะแล้วของที่ให้ก็ให้มากมายในชาติที่เป็นอกิติเป็นต้นเราบริจาคอวัยวะและบุตรของเราเป็นครั้งสุดท้ายเหล่าใดข้าวของเครื่องใช้ที่บริจาคคือชาติที่เป็นอกิติเป็นต้นใช่ไหมบริจาคอวัยวะก็ชาติที่เป็น พระเจ้าศีวิราชบริจาคบุตรก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะเราได้ให้การบริจาคเหล่านั้นเป็นทานบารมีเท่านั้นด้วยถึงความยิ่งยวดแห่งทะของทานถ้าเปรียบทานเนี่ยนะทานทั้งหมดที่ให้ให้ไปที่กล่าวไปแล้วเนี่ยโดยมากก็เป็นทานบารมีเพราะเรายึดความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณาเราบริจาค ทั้งหมดเหล่านั้นนะนะไม่ว่าจะเป็นทานบารมีทานอุป ป, ป, า ป, ปารมีทานปรมัตถารมีเราก็อุทิตอุทิตแปล ว, ว่าเจาะจงหรือมุ่งต่อพระสัพพัญยุตยานเท่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าเจตจานงมุ่งตรงต่อสัพพัญยูทานเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นบริวารแห่งทานช่วยอุดหนุนทานของเร า, เานะเป็นทานปรมัตถารมี ทานเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนสันดานให้เจริญโดยรอบเรียกว่าคุณธรรมที่รองรับเนี่ยนะรองรับสัพพัญญุตยานเนี่ยเกื้อกูลเกื้อหนุนสัพพัญญุตยานก็คือบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการมองอีกในหนึ่งน่ทานนี่เป็นเครื่องบ่งคล้ายๆกับอะไรนะเป็นตัวหล่อตัวหลอมหลอมสัพพัญญุตยานขึ้นเนี่ยนะ คุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นบริวารพระองค์ตรัสว่าชีวิตตังยาเจเกทัตวาอิมังปารมิปูรยิงเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังทานะบารมีนี้ให้เต็มการให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นปัจจัยแก่การให้ในครั้งหลังๆคนที่ให้ทานโดยมากคือคนที่เคยให้มาแล้ว คนที่ตนีก็คือไม่ใช่แต่เคยตนีไม่ใช่ไม่เคยตนีมันเคยตนีมาแล้วคนที่ให้ก็เคยให้มาแล้วคนที่มี ใ, มใจจะให้จึงน้อมไปเพื่อจะให้การให้เพื่อการให้นไการให้เล็กๆน้อยๆเพื่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่บางคนก็บอกว่าการให้เล็กน้อยครั้งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อให้เพื ms, ่อจะให้ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่า กว่าครั้งนี้การให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้ที่เล็กน้อยต่อไปนะจะให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่ากว่านี้แต่หน้าแปลกนะเคยได้ข่าวมาไว้ให้จนจนจนยิ่งให้ยิ่งจนจนให้มากี่สิบกี่สิบปีมาแล้วก็ยังจนอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะแต่ก็ให้ตลอดไม่เคยละเว้นจากการให้แล้วยิ่อยู่นั่นแหละยังเคยได้ยินไหมไม่มีมีแต่ได้ข่าวว่ายิ่งให้ยิ่ง มั่งมีไม่น่าเชื่อนะว่าเอาการให้นี่เป็นเหตุให้มั่งมีด้วยโภคะแต่บางคนนี่ก็บอกเขาเคยให้ให้ครั้งเดียวแต่ตาหนีเป็นหมื่นครั้งไม่พูดเนี่ยนะแล้วบอกว่าเขาจนอันนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าเจตนาที่ตาหนีมัชชริยะเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงความทุกข์ความยากสรุปว่าบารมีที่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากการให้จริงอยู่ในที่นี้เพิ่งทราบฐานบารมี ทานอุปปารมีในเก้าจริยาเก้าเรื่องเนี่ยนะเก้าเรื่องแรกเป็นทานทั้งทานบารมีและทานอุปปารมีที่เหลือเว้นสัสบัณฑิตจริยาเพราะสัสบัณฑิตจริยานี้เป็นทานปรมาถา ร, ม, ารมีที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานบารมีของเราหรือว่านี้เป็นทานปรมัทธบารมีของเราเป็นทานที่ยิ่งยอดเป็นทานที่ยิ่งยวดคือคร่าวาให้ชีวิตเป็นทานแล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วจริงอยู่ไม่มีการกาหนดอัตภาพที่บำเป็นทานบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์นนะคือคือจะเป็นนาวท่านให้ทานมากี่ชาติแล้วกาหนดนับไม่ได้หรอก ไม่ว่าจะเป็นชาติที่เสวยเป็นอกิติพรามเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วหรือแม้กระทั่งชาติที่เป็นพระมหาชนกพระเจ้ามหาสุดสมเป็นต้นถึงอย่างนั้นก็ประกาศความเป็นปรมัภิปรมีแห่งทานในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสะสะบัณฑิตโดยส่วนเดียวยกย่องมากเลยนะพระพุทธเจ้ายกย่องทานที่ที่ตอนเป็นกระต่ายเนี่ยมากพันเวลาพูดถึงยื้เรื่องให้ทานนะไม่ค่อยอ้าง เป็นพระเวสสันดรให้ไปมากมายก็ไม่ค่อยอ้างเท่ากับเป็นสะสะบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการให้ที่ยิ่งยวดเป็นการให้ที่เรียกว่าผู้ที่ให้เต็มใจที่สุดเป็นความเต็มใจที่สุดที่ได้ให้ในบรรดาการให้บางคนนี่ให้เยอะมากนะให้มาจนตลอดชีวิตมันมีอยู่ที่หนึ่งที่ประทับใจว่าไงแตอย่างเขามีพระเจ้าพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าศัทธาติศระเนี่ยนะ เป็นผู้ที่บริจาคทานที่เรียกว่าท่าไม่ได้ให้ก่อนไม่ไม่เสวยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะให้ทานไปนิดเดียวแต่ให้ตอนแพ้สงครามอุย้ยทานครั้งนั้นเนี่ยจำได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ก่อนจะตายนะเข้ามาอ่านบัญชีไรเขาเยกว่าพวกพวกราชวรวรเป็นต้นเนี่ยนะผู้ผู้ที่ดูแลใกล้ชิดพระราชาเนี่ยคือคือพระราชาเนี่ยทำอะไรมาก็าจะมีจดบันทึกทั้งหมดเนี่ยนะ ก็จดบันทึกว่าพระราชาเนี่ยไปให้ทานที่ไหนมาบ้างก็อ่านไปเรื่อยๆอย่อออานจนถึงว่าตอนที่ให้ทานตอนแพสงขามซึ่งอาหารถ้วยเดียวเนี่ยนะแล้วก็อาหารก็ไม่ได้มากมายอะไรซึ่งได้รับการหารสามแล้วอ่ะแล้วก็แบ่งให้ทานไ ป, ท, นไปท่านดีใจมากเลยท่านก็ระลึกถึงทานอันนั้นแล้วก็จุเิเนี่ยนะจุติเกิดในดาวเวดึงนนะอนาคตต่ตอไปท่านก็คือ ถ้ะอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าคือพระเจ้าสัทธาติสะเนี่ยนะพระเจ้าสัทธาติสะนั้นก็เป็นอย่างนั้นบางจริงๆแล้วท่านสร้างเจดีสร้างอะไรใหญ่โตนะพระเจ้าสัทธาติสะถ้าจําไม่ผิดนะสุวรรณมะลิกาเจดีเป็นต้นเนี่ยก็คือของพระเจ้าสัทธาติสะนั่นแหละสร้างแต่ว่าไม่ปลื้มเท่ากับทานที่ให้ตอนแพสงครามถ้วยเดียวนี่นะถ้วยเดียวนี่ประทับใจที่สุดเนี่ยนะงั้นการให้ทานเนี่ย ก็หาโอกาสจนกว่าจะได้ทานอันใดอันหนึ่งที่เราประทับใจที่สุดรักษาศีลจนว่าว่าศีลวันนั้นเป็นศีลที่เราประทับใจที่สุดสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาครั้งนั้นเราประทับใจที่สุดเก็บไว้ในความทรงจาที่เรกวาเลลึกเมื่อไหร่ก็อันนั้นให้ได้เนี่ยนะเจริญจนกว่าจะได้ผลงานชิ้นโบแดงในใจของเราเนี่ยนะเรียกว่าเก็บ คือตรงนี้เนี่ยความประทับใจไม่ได้จำเป็นจะต้องว่าของนั้ น, นคืออะไรกะใครที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรแต่สำคัญที่สุดว่ารายละเอียดที่ทำด้วยความภูมิอกภูมิใจเต็มอกเต็มใจทำด้วยปัญญาประกอบทำด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นเป็นอาหารอย่างดีของปีเตและโสมนัสเราก็ต้องแสวงการเจริญกุศลเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งบุญกุศลลงไปในที่ ทุกขนทุกแห่งทุกเหตุการณ์และสถานที่แล้วก็เก็บมาคัดเลือกสรรเอาว่าเอาตัวที่เราประทับใจที่สุดถ้าประทับใจกำหนดทานทานที่เราให้ครั้งไหนได้จำได้ก่อนตายตัวนั้นนำเกิดเนี่ยนะก็ว่าตัวนั้นแหละคือพบใหม่ของเราว่าคุณภาพของชาติหน้าเราจะมีปัญญาประกอบหรือไม่ก็คือสิ่งที่เราคิดถึงนั่นแหละ อถ้าหากว่าเราคิดถึงทานที่ประกอบด้วยปัญญาทานที่ประกอบด้วยปัญญานั่นแหละจะนําเกิดและชาติต่อไปเราก็ฉลาดตลอดชาติถ้าหากว่าเราให้ทานนึกถึงฐานที่วิปยุทธชาติหน้าก็ดูท่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่อาจจะมั่งมีนะแต่ว่าไม่ฉลาดเท่าไหร่หรือให้ทานแบบเฉยๆว่าใ้ชาติหน้าก็จะชาติเฉยๆเองเหมือนกันกเนีนะหรือชาติแบบโอ้ยถูกเข็นขึ้นชาติหน้าก็ถูกเข็นตลอดชาติก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าเอากลุ่มไหนเนี่ยนะก็ อา้าทำด้วยตัวเองไม่ใช่หรือเนี่ยนะราจะไปร้องหาจากพระเจ้าที่ไหนเล่านะสรุปผ่านมาสิบเรื่องเนี่ยนะคืออกิตติดาบทสังกพราหม์พระเจ้าท น, นชัยกุรุราชพระเจ้าสุทัศนจั ก, กรพัติราชมหาโควินทพรามพระเจ้าเนมิราชจันทกุมารพระเจ้าศรีวิราชพระเวสสันดรและสร ะ, ะบัณฑิตผู้ให้ทานอันประเสริฐในครั้งนั้นก็คือเรานี่แหละ ทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทานเป็นทานะบารมีของเราเราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงอย่างบารมีเหล่านี้ให้เต็มได้เราเห็นยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้วได้สละตนของตนให้ความเสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้เป็นทานะบารมีของเราอันนี้ก็ถือว่าจบฐานะบารมีกลุ่มฐานะบารมีชุดที่หนึ่ง